ผมรู้สึกดีใจที่กำจัดรถคันนั้นไปซะได้อันที่จริงผมไม่ได้กำจัดมันด้วยตัวเองหรอกมีคนช่วยเอามันไปต่างหากป่านนี้ไอ้หัวขโมยอาจจะเอามันไปขายที่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็ถอดชิ้นส่วนขายตามอู่รถเก่ามันจะเอาไปทำอะไรก็ช่างมันเถอะอย่างน้อยเจ้ารถคันนั้นก็ไปจากชีวิตผมเสที ผมพยายามบอกขายรถคันนั้นมากกว่าเดือนทั้งปิดป้ายท้ายรถทั้งฝากไอ้เมง้งเจ้าของเต็นท์รถมือสองให้บอกขายต่อแต่ก็ไม่เป็นผลจะไปซื้อรถอีกคันหนึง่งโดยไม่ขายไอ้รถคันนี้ผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทำได้อย่างสบายนักวันนั้นผมกลับจากไปหาลูกค้าที่รังสิตเข้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวในร้านข้างทางแถวคลองสองพอกลับออกมารถคันนั้นก็อันตรธานไปอย่างแรร่องรอย ผมไปแจ้งความพอเป็นพิธีแล้วก็เดินจากสถานีตํารวจนั่งรถเมย์กลับบ้านคงคิดว่าผมผิดปกติใช่ไหมรถหายทั้งคันกลับไม่เดือดเนื้อร้อนใจเดือดร้อนสิครับอย่างน้อยผมก็ต้องไปหารถใหม่หมายถึงการเป็นหนี้ค่าผ่อนส่งอีกแต่ถ้าใครรู้ว่ารถบุโร่ทั้งคันนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรและผมได้พบอะไรมาบ้างคงจะเข้าใจ ผมซื้อรถคันนั้นมาจากเต็น์ขายรถมือสองแถวบางนาเอเม็มเงเจ้าของเต็น์เป็นเพื่อนกันกับผมมาตั้งแต่เด็กๆวิ่งมาหก 0,000 ื่นกว่าก็จริงแต่ว่าสภาพยังดีเจ้าของมันร้อนเงินว่ะขอ3 0 0 0 0 0สกูไม่เอากำไรมึงแม้แต่บาทเดียวเอเ็มงว่าแต่ว่าเงินจำนวนขนาดนี้ก็นับว่าหนักนาะสำหรับเซลแมนที่เพิ่งจะทำงานอย่างผมต่อขหน่อยสิว่าเงินมีไม่พอว่ะกูมีอยู่แค่ส 0,000 เอง เออต่อสุดๆและเอานี้เดี๋ยวกูให้มึงยืม 20,000 มีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนก็แล้วกันไอ้เม็งเป็นคนใจกว้างมาแต่ไหนแต่ไรและผมก็ได้เป็นเจ้าของรถโตโยต้าสีน้ำเงินคันนั้นคนที่ตื่นเต้นกับการได้รถคันนี้ที่สุดเห็น <he en S 2> จะเป็นแม่บ้านกับลูกสาววัย6ขวบของผมพอรถมาถึงบ้านก็ช่วยกันขัดสีฉวีวันซะดูใหม่เอี่ยมเย็นวันนั้นผมขับรถพาครอบครัวไปกินข้าวแถวถวพุทธมณฑล กลับมาถึงบ้านเกือบสองทุ่มกลับมาถึงบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกำลังจะเข้านอนลูกสาวบอกว่าผมลืมปิดไฟรถผมรีบออกไปที่รถซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านเปิดประตูรถเข้าไปกดสวิตช์ไฟหน้ารถด้วยความฉงนผมแน่ใจว่าตอนผมจอดรถได้ปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้วสองสวันต่อมาผมไปงานเลี้ยงรุ่นของเพื่อนจากโรงเรียนเก่า งานนี้บรรดาเมียเมีย er, ทั้งหลายเห็นพ้องกันว่าปล่อยให้พวกเราสนุกกันโดยไม่อยากไปตามเกะกะผมรู้ว่าที่จริงแล้วเขาขี้เกียจฟังพวกเราที่นั่งกินเหล้าคุยกันแต่เรื่องเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนนั้นกว่าจะแยกย้ายกันออกจากร้านอาหารก็สี่ทุ่มกว่าเกือบ5้าทุ่มพอขับรถขึ้นถนนใหญ่มาสักพักผมมองกระจกหลังอย่างไม่ได้ตั้งใจเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลังจ้องมองมาที่ผมอย่างเขมง เด็กคนนั้นใส่เสื้อคอกลมสีขาวตัดผมสั้นเกรียนแบบนักเรียนผมแตะเบรกจนตัวโ่งเลี้ยวเข้าจอดข้างทางหันกลับมาดูในรถก็ไม่เห็นมีอะไรเบาะหลังก็ยังคงว่างเปล่ามีเพียงแค่กระเป๋าเอกสารที่ผมวางไว้ตอนขึ้นรถผมบอกตัวเองว่าคงจะเป็นเพราะริดเล่าที่ตะบันเข้าไปตั้งแต่หัวค่าอีกสองสามวันต่อมาผมไปหาลูกค้าที่ฝั่งทน เจ้าของร้านขายยาที่เป็นลูกค้ากับผมคุยกันกับผมสักพักพอมองไปทางรถที่ผมจอดอยู่หน้าร้านก็เอะอะขึ้นว่าทําไมคุณให้ลูกอยู่ในรถร้อนๆแบบนี้เดี๋ยวเด็กเป็นลมตายพอดีผมหันไปดูรถที่จอดอยู่นอกร้านเห็นเด็กคนเดิมนั่งอยู่ตรงเบาะหลังยิ้มให้ผมซะด้วยสิจะเป็นไปได้อย่างไรกันตอนนั้นกลางวันแสกแสกแท้ๆผมขี้เกียจอธิบายให้ยืดยาวก็บอกลาลูกค้าเดินกลับมาที่รถ แต่ว่าคราวนี้เด็กคนนั้นกลับอันตรธานไปซะแล้วเบาะหลังว่างเปล่าตามเคยผมเริ่มสงสัยว่าต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างบนรถคันนั้นวันนั้นเรากลับมาถึงบ้านไม่กล้าเล่าให้เมียฟังกลัวว่าเธอจะตกใจก่อนนอนผมแอบโทรศัพท์ไปหาไอ้เมง้งซักถึงประวัติรถคันนั้นว่าซื้อมาจากใครไอ้เมงบอกชื่อเจ้าของรถเสร็จผมก็ถามว่าเขาทาอะไรอยู่ที่ไหนกูจะไปรู้ได้ยังไงวะ รู้ชื่อก็รู้จักทะเบียนรถแค่นั้นเองเขาเคยมาดูรถที่นี่สองครั้งตอนเนี้ยไม่เห็นมานานละว่าแต่เมืองถามทำไมวะเอ้ยเม้งทาเสียงประหลาดใจกูก็แค่อยากรู้ประวัติรถแค่นั้นแหละวะ่ะผมบอกก็บอกแล้วไงว่าก่อนซื้อเข้าเต็น์กูก็ตรวจสภาพหมดแล้วรถคันนี้ไม่เคยมีรอยชนนะประวัติการซ่อมเขาก็มีคู่มือมาเรียบร้อยนี่มึงไม่เชื่อกูเลยหรือ ย, อยังไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นเว้ย กูอยากรู้ว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าและผมก็เล่าเรื่องที่เห็นในรถให้เอเมงฟังตอนแรกมันก็ไม่เชื่อคิดว่าผมเนี่ยเมาพอผมยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะมันก็บอกว่าวันอาทิตย์นี้ให้ผมไปหามันตั้งแต่เช้าแล้วก็จะตรวจสอบให้ผมเริ่มไม่มีความสุขกับรถคันนั้นเวลาขับไปไหนมักจะมีความรู้สึกว่าเด็กคนนั้นนั่งอยู่ข้างหลังตลอดเวลาตอนกลางคืนผมก็ยิ่งไม่ยอมขับไปไหนเด็ดขาด พอถึงวันอาทิตย์ผมขับไปหาไอ้เมง้งมันให้ผมจอดรถไว้ที่เต็นท์ขายรถแล้วก็ให้นั่งรถเบนซ์ไปกับมันจะพากูไปไหนวะผมถามตอนที่ไอ้เม้งเริ่มออกรถก็พามึงไปตรวจประวัติรถที่มึงอยากรู้ไงไอ้เม้งพูดยิ้มยิ้มไม่ต้องถามอะไรมากหรอกเฉยๆไว้ไวเดี๋ยวจะดีเองมันขับรถคันนั้นไปทางบางนาออกไปถึงชนบุรีจากชนบุรีไปหน่อยนึงก็แยกไปตามทางสู่อำเภอเล็กๆสักพักหนึ่งก็ถึงตัวตลาด ไอ้เม้งขับรถผ่านตัวตลาดที่เป็นห้องแถวเก่าๆไปจอดหน้าศาลเจ้าจีนศาลเจ้าแห่งนั้นใหญ่โตประตูหน้าทำเป็นซุ้มสูงสีแดงมีลวดลายมังกรสีทองมันเดินนําหน้าผมเข้าประตูชายจีนกลางคนที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะด้านในประตูทักทายเอ้เม้งอย่างคนคุ้นเคยเอ้าวนี่มึงพากูมาศาลเจ้าทําไมวะผมถามด้วยความสนเท่เขาเรียกโดงเจไม่ใช่ศาลเจ้าไม่ต้องซักอะไรมากตามกูมก็แล้วกัน เอเ๋มงพาผมเดินผ่านลานซีเมนกว้างใหญ่ด้านในของประตูไปยังอาคารเล็กๆที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอาคารเล็กๆที่ว่าหลังนั้นมีหลังคาแบบเก๋งจีนพอเข้าไปได้ก็ได้กลิ่นทูบตลบผมเห็นแท่นบูชาที่เต็มไปได้วยทูบควันขโมงบนแท่นบูชารูปปั้นแบบจีนเรียงกันเป็นแถวใหญ่บ้างเล็กบ้างผมดูไม่ถนัดว่าเป็นรูปอะไรเพราะว่าทุกองค์มีทองปิดหนาแน่นแล้วก็มีพวงมาลัยคล้องจนแทบจะมองไม่เห็นองค์ ไอเมงจุดทูปเป็นกรรมแบ่งส่งมาให้ผมส่วนหนึ่งแล้วก็คุกเข่าลงหน้าแท่นบูชาผมทำตามโดยไม่ต้องให้มีใครมาบอกชายชาราคนหนึ่งเดินออกมาจากประตูห้องเล็กๆที่อยู่ข้างๆแท่นบูชาผมตัดสั้นข่าทั้งศีษะนุ่งกางเกงห ล, มหลวมๆกรอมเท้าหน้าตาผ่องใสท่าทางใจดีสวัสดีอัปแปะไอเมงยกมือไหว้แล้วก็พยักพเยิรมาทางผมเนี่ยเพื่อนผมเองคนที่ผมเล่าให้ฟังทางโทรศัพท์นะครับ ผมยกมือไหวอ้อลือเป็นเจ้าของลกจีนคนแก่คนนั้นว่านีเอเมงคงเกิดมาให้ฟังหมดเรียบร้อยแล้วชายคนนั้นนำเราไปนั่งที่เก้าอี้สองตัวหน้าโต๊ะข้างๆประตูห้องส่วนตัวของแกแล้วก็อ้อมไปนั่งเก้าอี้ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโต๊ะตัวนั้นรินน้ำชาในกาใส่ถ้วยแบบจีนใบเล็กๆส่งให้เราสองคนก่อนที่จะรินให้กับตัวเองลือกาลังมีโชค ชายคนนั้นเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับจ้องหน้าผมก็รถขังนั่งน่ะเขารับเด็กถูกรกชงจากกลางถนนยังไม่ทันถึงโรงหมอเขาก็ตายในรถซะก่อนก็เลยอยู่ในนั้นมาเรื่อยแต่ถ้าทํากับเขาไม่ดีปล่อยให้อยู่อย่างนี้นานๆจะให้โทษผมสะดุง้งนี่แกรู้เรื่องเด็กในรถได้อย่างไรหรือไอ้มเมงเล่าให้ฟังมีทางเดียวต้องหาที่อยู่ใหม่ให้แกพูดต่อแบบช้าๆ เขาอยากไปอยู่ที่ใหม่ให้ลือช่วยเขาแล้วเขาจะตอบแทนด้วยการให้โชคผมนี่งงไปหมดแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อชายจีนคนนั้นก็พูดขึ้นอีกว่าวันพระหน้าลื้อขับรถคันนั้นมาที่นี่ก่อน7โมงเช้านะระหว่างทางขากลับเอเ็มเงพูดกับผมว่ากูก็สงสัยอยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรแบบนี้มึงจะมาอีกเมื่อไหร่ก็นัดกับกูด้วยก็แล้วกัน กลับมาถึงบ้านผมดูปฏิทินปรากฏว่าวันพุธที่จะถึงเป็นวันพระพอดีเป็นวันขึ้น15คห้าค่ำพอวันอังคารผมก็รีบโทรนัดไอ้เม้งเรียบร้อยถึงวันนัดผมบอกแม่บ้านว่าจะไปเยี่ยมลูกค้าขับรถคันนั้นไปรับไอ้เมง้งตั้งแต่ยังไม่สว่างดีระหว่างทางใจคอไม่เป็นปกติไม่กล้ามองกระจกส่องหลังกลัวว่าจะเห็นเด็กคนนั้นอีกพอไอ้เม้งขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนก็ค่อยหายใจได้ทั่วท้องหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าอุปท า, านหรือเปล่านะ ตอนขับรถผ่านบางแสนหูผมแววว่ามีเสียงคุยกันมาจากด้านหลังแล้วก็รู้สึกว่ารถหนักขึ้นหันไปมองเอ้เมงที่นั่งข้างๆก็เห็นมันนั่งสับ ป, ประกอยู่มองกระจกส่องหลังก็ไม่เห็นอะไรตามเคยจนไปถึงโรงเจที่เรามาเมื่อวันก่อนเกือบเจ็ดโมงแปะแกๆ่ๆนั่งรออยู่แล้วแต่ว่าวันนี้กระแต่งชุดขาวทั้งชุดทั้งยังมีผู้ช่วยเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีอยู่ด้วยอีกคนนึง เด็กหนุ่มคนนี้แต่งกายด้วยชุดขาวเหมือนกันแต่ว่ามีผ้าเหลืองเซียนยันเขียนด้วยหมึกสีแดงคาดหัวอยู่แปะคนนั้นบอกให้ผมออรรถไปจอดด้านหลังของเก่งจีนซึ่งสามารถเดินติดต่อกับอาคารหลังนั้นได้ทางประตู ด, ด้านหลังจากนั้นชายชารากับเด็กคนนั้นก็นั่งคุกเข่าหน้าแท่นบูชาซึ่งมีทูปจุดอยู่ในกระถางมังกรควันขโมงผมกับเอ๋เม้งนั่งดูอยู่ห่างๆคนแก่สวดอะไรเป็นภาษาจีนดังลั่นซึ่งผมก็ฟังไม่ออก เสียงสั่นๆแต่ว่าทรงอำนาจของแกดังกังวานไปทั่วบริเวณสักพักหนึ่งเด็กหนุ่มที่นั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆก็สะดุ้งขึ้นเฮือกหนึ่งและก็กลับสั่นเทมิมเหมือนคนแก่งอมสายหน้าไปมาช้าๆแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นสักพักใหญ่ๆก็กระย่องกระแย่งลุกขึ้นมาด้วยอากับกิริยาของคนสูงอายุชายแก่หยุดสวดมนลุกขึ้นเดินไปตรงแท่นบูชา หยิบไม้ยาวๆที่มีลักษณะเป็นไม้เท้าซึ่งวางอยู่ข้างๆแท่นบูชาส่งให้ด้วยอาการนอบน้อมเด็กหนุ่มที่มีอาการเหมือนกับคนแก่รับไม้อันนั้นแล้วก็เดินออกไปทางประตูหลังชายจีนเดินตามหันกลับมาพยักหน้าเป็นทีให้ผมกับเอ็ะเม้งเดินตามออกไปพอไปถึงรถที่จอดอยู่ข้างนอกเด็กหนุ่มคนนั้นก็เอาไม้ยาวๆอนนั้นแตะที่ประตูรถอยู่ครู่หนึ่งชายจีนคนที่มีอายุยืนอยู่เฉยๆอยู่ข้างๆและผมกับเอ็ะเมง้ง ก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเด็กหนุ่มยืนเฉยอยู่ครู่หนึ่งก็เปลี่ยนจากอาการของคนแก่กระย่องกระย่งเป็นท่าของนักอุร้ที่คล่องแคล่วออกอาการเหมือนกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นยกไม้เท้าขึ้นกวาดแก่งออกท่าทางรำมวยเหมือนอย่างกับที่ผมเห็นในหนังจีนกำลังภายในเราสองคนได้ยินเสียงคล้ายมีฝีเท้าคนหลายคนวิ่งอยู่รอบๆ บ, บริเวณแปลกประหลาดสิ้นดี ตอนที่กําลังยกไม้เท้าขึ้นฟาดอากาศหันหน้ามาทางผมหน้าตาของเด็กคนนั้นเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่อายุสักร้อยปีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่เกิน5นาทีท่านใดนั้นเด็กหนุ่มก็หยุดกวัดแก่งไม้เท้าหันกลับมาเดินกระย่องกระแ ย, ย, ย่งไปยังอาคารชัยแก่กับเอ๊เมง้งแล้วก็ผมเดินตามเข้าไปเมื่อไปถึงหน้าแท่นบูชาที่เดิมเด็กหนุ่มก็เข้าไปนั่งคุกเข่าสะดุ้งขึ้นอีกเฮือกหนึ่งแล้วก็ฟุบหน้าลงตรงนั้น ไม่เท้าอันนั้นหล่นอยู่ข้างๆตัวคนแก่ชาวจีนหยิบไม่เท้าไปวางไว้ข้างแท่นบูชาที่เดิมด้วยอาการแสดงความเคารพเด็กหนุ่มที่นั่งฟุบหน้าอยู่กลับลุกขึ้นมาหน้าตาเป็นเด็กหนุ่มคนเดิมที่เราเห็นตอนมาถึงแล้วก็เดินหายเข้าไปในห้องเล็กๆด้านข้างชายจีนลุกขึ้นตามหันมาพูดกับเราอย่างอารมณ์ดีเป็นอย่างที่เดาไว้ไม่ผิดเกือบไม่สาเร็จถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่มาช่วยไม่ได้ผลแน่ๆเลยทีนี้รื้อสบายแล้ว ถึงตอนนี้แกก็หันมาทางผมนี่ลือรู้ไหมอติในรถลื้น่ะมันมีไอ้พวกพนเจนจรจากกลางถนนเกาะรถตามมาเป็นขยงเลยพอจะให้อติไปอยู่ที่ใหม่ไอ้พวกนั้นมันก็อารวาดใหญ่เลยมันมาจากไหนหล่ะครับด้ ร, ร่อนอยู่ตามถนนทั่วไปไอ้พวกนี้ร้ายกาจมากบางคนดวงไม่ดีมันเคยเอาถึงตายเลยนะ่ะชายจีนคนนั้นพูด วันนั้นตอนขับกลับกรุงเทพผมครุ่นคิดมาตลอดทางว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความจริงเพียงไรชายจีนกับเด็กหนุ่มคนนั้นกุเรื่องให้ผมกับเอ๊เม้ง ง, งมง่ายหรือไม่ที่แปลกก็คือเย็นวันนั้นผมส่งเอ๊เม้งเสร็จผมกลับไปถึงบ้านแม่บ้านยิ้มร่าออกมารับถึงหน้าประตูคุณโชคดีจังเธอพูดเสร็จพร้อมกับเอามือมาโอบผมเรื่องอะไรอะครับผมงงเธอมองหน้าผมเพื่อจะค้นหาความจริง นี่อย่ามาแกล้งทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยก็ลอตเตอรี่ที่คุณซื้อเมื่อเช้าน่ะสิถูกดังวันที่สองชินะนี่ไงเรียงเบอร์เธอหยิบใบตรวจลอตเตอรี่ที่วางอยู่ที่โต๊ะพร้อมกับลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้กันมาส่งให้ผมลอตเตอรี่ผมซื้อลอตเตอรี่ด้วยเหรอผมรู้สึกงงไปหมดก็ลอตเตอรี่ใบที่คุณซื้อเมื่อเชา้าแล้วก็ให้เด็กเอามาให้ฉันยังไงล่ะคะเด็กที่ไหน อ, ะอ่ะอ้าวก็เด็กผู้ชายหัวกรีนกรีนที่มาขายลอตเตอรี่ไง พอคุณออกไปสักพักหนึ่งก็เอาลอตเตอรี่มาให้ฉันบอกว่านาผู้ชายเขาจะซื้อแต่ว่าไม่มีตังย่อยให้เอามาให้แล้วก็เอาเงินกับนาผู้หญิงเย็นนี้ออกนะครับเธอทำเป็นเสียงเด็กๆล้อผมผมรู้สึกตัวชาไปทั้งตัวเอา้าทาไมทาหน้ายางงั้นล่ะคะไปอาบน้าแล้วก็มากินข้าวกันเมื่อกี้เนี้ยฉันไปซื้อเบียร์กับไส้กรอกของโปรดของคุณมาเตรียมมาให้ด้วยละก่อนขึ้นนอนบันนั้น ผมออกไปเปิดไฟประตูรั้วเหมือนที่ทำมาทุกวันมองไปที่รถคันนั้นซึ่งจอดอยู่ริมทางเดินเข้าบ้านอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็ต้องชะงักตาสว่างหายง่วงเป็นปิดทิ้งเพราะในรถมีเงาดำๆเหมือนคนนั่งกันอยู่เต็มรถทั้งด้านหน้าและด้านหลัง